สนับสนุนโดยชุดผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมุนไรซึ่งเป็นสมุนไพรเฉพาะทางที่มีสรรพคุณโดดเด่นในการป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเข่าตะคริวนิ้วล็อกชามือชาเท้ากระดูกทับเส้นปวดตามข้อตามกระดูกเนื่องจากเป็นเกาสมุนไพรเลิกเหล้าเลิกบุรีในราคาไม่แพง ปลอดภัยส่งตรงถึงบ้านก่อนเริ่มรายการในช่วงที่หนึ่งมาฟังเพลงลุกทุ่งเพล า, าะกันก่อนค่ะความห่งของสองเขามันสิจบด้วยการจากลาหอยยิ้มปลิมน้าตาที่ไหลเมื่อจากใจของอายคือคน ม, มาฟานลงกลางใจและสลายความหังสอง ฝ้ามือกลมมาเหลือเธอเท่าคือหังสองเฮาจากไกลเขาต้องลมเย็นพัดมาให้หนาวใจเจ้าจากไปเหลือไวแต่ความเหงาโอ้โอ้ What? สองเฮามันสิจบด้การจากลาคอยยิ้มปลิ้นน้ำตาที่ไหลมาจากใจของอ้คือคนมาฟาลงกลางใจและสลายความหัางสองเฮาฝ่ามือจึ้งมื่ลยถือเทาคือหัางสองเฮาทางไกล มาให้หนาวใจเจ้าจะไปเหลือไว้แต่ความเงาโอ้ แต่ใจไอบอกเคยห่างไกลยังฮังคือเกา่าคำว่าเฮาบอกเคยเลือนหายเจ้ายังอยู่ในใจไอคือทอดลายห้กเจ้าคือเกา่าเดิม 后事何？ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาฟังประวัติชีวิตของเจ้าของเพลงฮิตค่ะไซวาซิบอทีมกันนะคะหรือว่าคู่คองในภาพยนต์ในละครเนี่ยเรื่องนาคีนะไม่ใช่ภาพยนต์ ซึ่งเป็นประวัติเส้นทางชีวิตที่หวือหวามากจากเด็กบ้านนอกธรรมดาค่ะมาพบรักในกรุงเทพแล้วก็ถูกหักอกจนกลายมาเป็นนักร้องข้างถนนสู่การเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงยอดมากกว่าร้อยล้านวิวไปแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็มารู้จักกับเขานะคะคือก้องห้วยไร่ค่ะ กองห้วยไร่เนี่ยมีชื่อจริงว่ากองลายอดจำปาโดยที่ใช้ชื่อว่าก้องห้วยไร่เนี่ยมาจากการที่ตนเองอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยไร่ตำบลธาตุจังหวัดสกลนครมีชื่อเล่นว่าก้องจึงมาผสมผสานกันน ะ, ะตอนนี้ก้องห้วยไร่เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นอัครเดชยอดจำปลายอดจำปานะคะ เพราะว่ามีพระบอกว่าให้เปลี่ยนที่มาของเพลงไซวสิบอดทีมกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันในวงหมอลำมคนอีสานแต่หลังจากที่ไข่มุกเดอะ o i c e ์ Voice, นํามาร้องประกวดทำให้เพลงนี้โดง่งดังพลุแตกจนรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองมีคนสงสัยว่าน้องไข่มุกเนี่ยร้องผิดจังหวะ หรือเปล่านั้นกล้องห้วยไร่ยืนยันว่าไข่มุกเนี่ยร้องถูกจังหวะแล้วมีแต่กล้องนี่แหละที่บอกว่าเขาอะร้องไม่ตรงจังหวะเองนะแต่เขาเห็นว่ามีคนเอาเพลงเขาไปร้องขนาดนี้ก็รู้สึกว่าภูมิใจกล้องอ่ะเล่าให้ฟังเลยนะะว่าตอนที่แต่งเพลงนี้ไม่คิดเลยว่าจะเป็นที่รู้จักขนาดนี้เพราะว่าแต่งมาจากชีวิตของตัวเองคือ เป็นเด็กคนหนึ่งอะค่ะที่เดินทางเข้ามากรุงเทพแล้วก็มาพบรักกับคนอีสานด้วยกันสัญญากันดบดีว่าจะไม่ทิ้งกันแม้จะเจออุปสรรคต่างๆท้าทงเข้ามาแต่ว่าโชคอะค่ะมันก็ไม่เข้าข้างมีช่วงหนึ่งตัวเองทำงานเป็น PR คือเป็นออผู้นำเสนอเกี่ยวกับสถานความงามต้องออกต่างจังหวัดตลอดไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพเพอกลับมาพบผู้หญิงคนนั้นปรากฏว่า เธอมีแฟนใหม่ไปแล้วก้องเนี่ยนะคะร้องห่มร้องไห้เขียนเป็นกรอนแล้วทิ้งไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนคนเร่ร่อนเลยไม่อยากเจอใครลาออกนที่ทางานไม่มีงา น, ไ ม, มงานไม่มีเงินเป็นแบบนี้หเดือนแล้วก็ประทังชีวิตด้วยการเล่นกีตาร์ข้างถนนขอร้องเพลงตามร้านหมูกระทะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยไปนั่งดีกีตาร์ แถวสนามรัชมังคลากฬาสถานแล้ววันนั้นน่ะก็มีคอนเสิร์ตของพี่ตูนบอดี s แ a m ก็เลยฟังเพลงของพี่ตูนแล้วมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าถ้าคนเราผิดพลาดรู้สึกท้อทำไมไม่กลับบ้านก็เลยเออทำไมไม่กลับบ้านนั่นแหละหลังจากนั้นนะคะก็แต่งเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักของตัวเองอะ่ะ อัดลงวิดีโอแล้วก็ลง facebook ได้เพียงแค่เจ็ดไลค์กับน1 c o คอมเมนต์คอมเมนต์ยังเขียนอีกว่ากา ก, ากแต่กล้องก็ไม่ทอและหลังจากนั้น่ะเขาก็ได้มาไปแต่งเพลงให้กับพ่อปู่พญายนาคที่คำชะโนดพอไปแต่งก็ไปร้องเพลงไซสีวับอทีมกันแล้วคนก็มองว่าไอเนียมันบ้ามันไปแต่งเพลงร้องเพลงอะไรอยู่ที่พญายนาคแทนที่จะมาลามาเเขาก็ง ง, ง, ง และหลังจากนั้นก็มีข่าวดีค่ะเพราะว่าเจ้าของค่ายซาวมีแฮงเล็กขอดเนี่ยก็ได้มาชวนทำเพลงอีสานพื้นบ้านโบราณจนกลายมาเป็นนักร้องและหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มโด่งดังจากเพลงนี้จนมาเป็นหลายล้านวิวในเวลาไม่นานนะคะจนตอนนี้ก้องห้วยไร่ยังถามตัวเองตลอดเลยว่านี่มันเป็นตัวเราชีวิตเราจริงๆหรือเปล่า เพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะหลังจากที่ซิงเกิลเพลงคู่คองออกไปเนี่ยปรากฏว่าโด่งดังเป็นผู้แตกตอนนี้ใครๆต่างก็รู้จักกล้องห้วยไร่กันแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะไปฟังเพลงของกล้องห้อยไร่ที่ดังมากๆเลยคือเพลงคู่คองนะคะแล้วก็ใสสิว่าบอดทีมกันกันนะคะเอาละค่ะ คำว่าหัางเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบอสสงคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบอหายตามการเวลาว่าสิผ่านมาดนปานใดในหัวใจเพาะเคยร้างราเย็นจนจำทุกถ้อยวาจาที่เฮาเ้าต่อกัน เมื่อสวรรแยกกายเฮาสองจากคู่ครองเป็นคนอื่นไกลเหลือแต่คำสัญญาที่ไม่ที่ยังคงอยู่แมว้ว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังบอกเคยคิดสั่งย้อนหัวคนหูสิเคียงข้างให้ได้หูหัวใจยังคงเดิม เม่มีอียังมาพันทลายความมันอุ้มลงไดแม่นดินสลายยังมันคงคือจังตอนเริ่มหกที่แล็ด้วยแหกดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดร้าวทีเข้ามาเสริมบอกใครคิดยัง ไ้วันนี้เฮาเจอกันแล้วยังบอกแล้วจำต้องจากลาคนที่เฮาตามหาเป็นยังคือบ่อสมใจให้ข้องท่าอีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่ขอเพียงแค่ จนได้ชาติไหนก็รอเธอบ่มีอียังมาพังทลาย ลงใดแม่นดินสลายยังมั่นคงคือจังตอนเริ่มฮัตที่แลกด้วยแห่กดฟ้าจึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติมความปวดรา้าวสิเข้ามาเสริมบอกใครคิดยาง กันแล้วยังบอกแล้วจำต้องจากลาคนที่เห้าตามหาเป็นอย่างคือบอสมใจให้ค้องทาออีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่ขอเพียงแค่เธอจำจันได้ชาติหดก็รอเธอ หรือเปล่าคะว่าแต่เมื่อยขาปวดหลังหรือเปล่านั่นแน่ระวังจะชาเท้านะจ๊ะหากอยู่ท่าเดิมนานนานจนเมื่อยขาปวดหลังชามือชาเท้าหัวเข่าดังกรบกรบับไม่เกรนขึ้นหัวกระดูกทับเส้นอย่าลืม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 สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง o n b r i ร h ์สัญจรบอกเล่า90ความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ o o ลไ b รท์ค่ะวันนี้นะคะ d j แอมค่ะอยู่กับคุณฉลวยขำพาลีนะคะซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์นะคะของ m o o n b r i g h ์ไปให้กับคุณอาได้ใช้แล้วก็ญาติญาดเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็เกิดผลดีเกิดความประทับใจค่ะสวัสดีค่ะคุณฉลวยค่ะจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวแนะนาชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่เลยค่ะ จ้าอ่าฉันชื่อเฉลวยนะ่คําพาลีนะคะค่ะจ้าอยู่บ้านเลขที่หนึ่งหกหกค่ะหมูแปค่ะตำบลบ้านมะเกือค่อะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะคุณเฉลวยคะอ่าคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของมูลไบรท์นี่ชื่ออะไระคะ ชื่ออาเชิงจ้ะค่ะค่ะอาเชิงอินทิปัญญาอ๋อค่ะแล้วคุณอาเชิงอะค่ะก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของมูลไบรท์เนี่ยคุณอาเป็นอะไรมาคะเขาอ่าอะไรไม้โดไม้เขาหักลงมาแล้วก็ทะไอมากระแทกที่โครงเขาอะค่ะ แล้วทีนี้แล้วเขาก็ปวดเมื่อยมากเลยค่ะไปทำอะไรไม่ไหวอ่ะจ้ะดินข้าวถนงปาก็ไม่ได้ค่ะและตอนนี้เขาแล้วตอนนี้เขามาใช้มงไ่้เขาก็ดีขึ้นจ้ะเขาดีขึ้นแล้วดีขึ้นกว่าก่าวจ้ะ ทำอะไรก็แข็งแรงข้าวปลากินได้ค่ะค่ะที่บอกว่าได้ยินค่ ะ, ค ะ, คะแล้วตอนนี้ ค, คุณอาเชิงใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างคะที่บอกว่าดีขึ้นนะคะเขาโอ้เขาก็ทำงานทาการได้ดีกว่าเก่าจ้ะอืมค่ะดีกว่าเก่าค่ะ ทำงานได้ดีกว่ากก่าแข็งแรงดีเขาเห็นเขาบอกว่าทำงานแข็งแรงดีกินยาไปแล้วก็สบายขึ้นและมาช่วงหลังนี้ก็เห็นบอกว่าหมดไปหลายวันแล้วแล้วก็ว่าลูกตะไภ้ว่าจะไปเอาให้ก็ยังแบบตัวเขาเองเข้าไปเอาไม่ได้ไงเลยต้องให้คนอื่นเอาใา้และลูกตะไคร่เขายังไปเอาให้ไม่ได้แล้วก็พามาให้ กันเอาให้อืมค่ะแล้วคุณเฉลวยออมองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไบรท์อะราคาเป็นยังไงบ้างอะคะก็ก็สมสมกับราคาที่ที่กินนะที่เข้ากินเนี่ยแบบว่าคือว่าคุ้มจ้ะค่ะคุ้มกับที่ราคาเขาตั้งไว้อะนะค่ะ เพราะว่าเขาก็มีอยู่สามสามอะไรนะสามช่องที่เอสามอะไรที่ว่าการชุดน่ะค่ะจากสามชุดแต่ ท, ท, ท, ท, ท, ทีนี้เขาคนกินเขาก็อยากจะได้ชุดใหญ่อะ่ะค่ะค่ะแล้วคุณฉลวยมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างไหมคะที่มีญาติหรือมีคนรู้จักอาการเป็นแบบคุณอาเชิงอ่ะคะ่ะ อ๋อก็อยากบอกกับทุกๆคนที่ได้ได้ฟัง science, ทางสถานีนี้คือกับยาที่อาเชิงเคยกินเนี่ยนะเ็า อ, อยากให้เขาทําไม่เชื่อก็ก็คิดว่าอยากจะให้ลองชุดเล็กก่อนก็ได้ค่ะกินดีแล้วก็ให้สั่งชุดใหญ่ต่อเลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะ ชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ามันมูลไบร์จำชามือชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูนลไบร์จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ามันมูนลไบร์สอบถามได้ที่เบอร์081394ปดหนึ่งสามเก1สี่หเก้าเจ็ดเจ็ดจหนึ่ง สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณเจนจจราวัฒนะไพโรธธงกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ขะค่ ะ, คะสวัสดีค่ะอ่าให้พี่แนะนําชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่จ้ะค่ะชื่อเจนจจราค่ะวัดเอานามสกุลวัฒนะเป็นโรธธงค่ะที่อยู่อ่าแปดสิบหกทับสาม หมูทั้งสองค่ะแต่บนบม่มะเกืออเผอเมืองค่ะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะอาการเดิมของคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรมาคะคุณแม่เป็นโรคไตค่ะไตไตเสื่อมคุณแม่เป็นไตเสื่อมแล้วต้องฟอกไตไหยคะไม่ไม่ฟอกค่ะอ๋อยังไม่ถึงขนาดว่าฟอกแต่ว่าก็เป็ น, เ ป, นเป็นไตเสื่อมอืมเป็นมากี่ปีจ๊ะไตเสื่อมซึ่งซึ่งซึ่งคุณหมอเพิ่งตรวจพบแล้วก็ เพิ่ับยาจากคุณหมอที่โรงพยาบาลประมาณสองปีเนะะี่ยค่ะจากแล้วค่ะคุณแม่เป็นไตเสือ่อมเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นอาการปวดเมื่อยมีอะไรยังไงบ้างคะก็มีอาการปวดปวดเมื่อยตามข้อตามลรเ น, นะะี่ยค่ะแล้วก็มีอาการบวมด้วยค่ะบวมบว ม, บวมด้วยคอ๋อหน้าบวมเลยโหน้านบวมเป็นหนักนะถ้าเป็นโรคไตตัวมันจะบวมนะ อมค่ะตัวบวมด้วยแล้วที่พอจะไล่จากตัวขึ้นแขนขาก็บวมค่ะแต่นี้ละไละ่ลจากไล่จากแขนขาขึ้นแล้วก็ทีนี้ก็ไม่อยู่ที่หน้าค่ะคือลุกอยู่ที่หน้าหมดเลยห น, น้าจะบวมหน้าจะบวมฉึงเลยอ่ะนะค่ะอืมแล้วอาการปวดเมื่อยก็คือปวดตามข้อใช่ไหมคะค่ะเออแล้วคุณแม่ใช้น้ํามันแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ปวดตามเส้นค่ะแล้วก็ใช้น้ํามันแล้วก็รู้สึกเขากอเบาขึ้นนะคะ อ๋อที่ที่ว่าเบาคือนี่คืออาการปวดลดลงใช่ไหมคะค่ะอาการปวดลดลงค่ะอืมค่ะแล้วทางคุณเจนจินลาเนี่ยก็เลยมาประทับใจก็เลยมาสั่งซ้ำถูกไหมคะค่ะค่ะบบมาแม่เขาแบบแการันตีแบบเออเอาสั่งให้แม่อีกก็เลยสั่งให้อีกเห็นคุณแม่เขาเบาก็เลยให้เขาโดม่ช่ถูกเขาเบาก็เลยให้เขาให้เขาใช้เลย ค่ะแล้วบางคนเนี่ยคือเขาฟังทางวิทยุเขาบอกโอ้โ oh, หคนนั้นดีคนนี้หายแต่ก็ยังไม่มั่นใจนะว่าใช้แล้วมันจะเบาไหมตัวน้ํามันเนี่ยคือไม่กล้าค่ะคุณเจนจีราจะบอกอะไรกับพวกเขาอ่ะคะค่ ะ, คะต้องลองต้องลองใช้ลองลองลองซื้อใช้ดูค่ะต้องลองด้วยตัวเองค่ะถึงจะรู้ค่ะคุณแม่ของฉันได้ลองแล้วเขารู้แล้วเขาประทับใจค่ะว่ามันเบาตัวเต็นพวกอะไรไมี่เขาเบา ปวดเมื่อยแล้วอะไรก็เาบาเบาแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็มันไม่มีความสบายใจรับเป็นแลว้วพอทช้แล้วมันเบาเขาก็อยากใช้ก่อค่ะอืมพอแบ บ, บมันปวดขึ้นมามันก็ไม่สบายใจอ่นะเพราะมันไม่สบายตัว<ช>เราเป็นลูกสาวเราก็อยากดูแลคุณแม่นะคะค่ะค่ะแล้วคุณเจนจีรามองว่าเออ่สินค้าถ้ามันได้ผลแบบเนี้ยราคาสูงไปไหมในความคิดของอืม ความคิดของนิฉันเราก็ว่าไม่สูงนะคะเพราะว่ามันคุ้มค่ามากที่ทได้ได้ผลด้วยแล้วก็ทําให้เรามันดีขึ้นนะคะร่างกายอือไม่ต้องมานั่งกังวลนะนะว่าแม่จะปวดไหมแม่จะอะไรไหมแล้วก็อุ่นใจเออไขมนก็เบาก็เออให้ก็ใช้ต่ อ, ปอไปนี่ไงค่ะโอเคค่ะทางรายการมูลนรยมนะคะต้องขอขอบคุณคุณเจนจีราวัฒนาภัยรดพงศ์อยู่หมู่ที่เท่าไหร่คะ หมู่ที่12ค่ะหมู่12ตำบลบ้านมะเกลืออําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะอาการเดิมของคุณแม่นะคะก็ปวดตามข้อนะคะแล้วก็ปวดตามเส้นแล้วก็เป็นโรคไตเสื่อมนะค ะ, คะอ่าหน้าบวมตัวบวมเนอะใช่ไปหมดเลย <laughs> ก็<า>เดี๋ยวเนื่อตันรวมแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายเนะคะตา ม, มข้อตามอะไค่ะค่ะเดี๋ยว ค่ะทางรายการมูลไบนะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเข่าตักคริวนิ้วล็อกชามือชาเทา้ากระดูกทับเส้นปวดตามข้อตามกระดูกเนื่องจากเป็นเกาในราคาไม่แพงส่งตรงถึงหน้าบ้านปลอดภัยไม่ต้องผ่าตัด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 แปดบบาทชุดกลางใช้ได้1เดือนราคา1 4 0 0บาทและชุดใหญ่ที่ราคาสุดคุ้มใช้ได้2เดือนราคา 1,700 บาทเหมือนท่านได้ดูแลตนเองวันละ20กว่าบาทเท่านั้นชุดใหญ่สุดคุ้มนี้มีสินค้าถึง4ชิ้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม ในราคาเพียง 1,700 บาทเฉลี่ยวันละยี่สิบกว่าบาทเท่านั้นทุกชุดจัดส่งฟรีเก็บเงินถึงหน้าบ้านคุณหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์081 3 9 4 6 9หนึ่ง้สาย้ำ 0 8 1 3 9 4 6ดหนึ่งสดข่าวดีค่ะเพียงท่านสั่งชุดน้ำมันมูลไรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรียำ้ำสั่งชุดน้ำมันมูลไรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรี ชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถมหักกันมาแต่ดอนแล้วบ่อมีวีแววเปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่ทางมีแต่ขีไงแล้วจังใดคือมาเป็นลายต่างสิบสีห้างหรือส่าวสีห้างสิจับมือกันอย่างว่าสันว่าหัวใจสวยน้องบ่หัวซาบัสิว่าเขาไปกันบ่ได้ใส่ว่าสิบ่ถินกันใส่ว่าสิมีกันและกัน ใส่วาสิฮักแพงกันใส่วาสิมีกันตลอดไปใส่วาสิบอดเห็กันใส่าสีมีกันไรือไปใส่วาสิบอแบ่งใจใส่วาสิมีแค่ ตาพังล ง, ง, างายาวยาวย้อนผู้สาวเปลี่ยนใจให้จนเซบอกคิดบอฟฝันว่าฮักสีหางสิเพสะเลเ ต, เตดอกมีไรกลิ่นหอมเห็ุจังใดหัวใจบอพร้อมหรือต้องยอมหับความเป็นจริงอีหลีให้สาดเดให้ตายมือนีให้คนที่ลืมสัญญา ใส่ไว้สิบอทิึงกันใส่ไว้สิมีกันและกันใส่ไว้สิฮักแพงกันใส่ไว้สิมีกันตลอดไปใส่ไว้สิบอทิึงกันใส่ไว้สิมีกันหรือไปใส่ไว้สิบอดแบ่งใจใส่ไว้สิมีแค่ Say what? Si bo t n h cạn. Say what? Si mi cạn l y w a Si h ắ o a ใช้วาสิบทิมกัน ค <68. S 1> ่ะเอ้าเป็นอะไรมาคะเป็นเลยกระดูกสับเส้นครับหมอจะว่าผมไม่ยอม่อไม่ผ่าอาการเป็นยังไงคะลองเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังดูนะคะ่ะมันปวดที่สะโพกและมันเฉียวลงไปถึงปลายเท้าเลยมันจะชาเดินไม่ได้จะเดินยืนนานๆนี่มันจะลงไปถึงปลายเท้าเลยเป็นมานานแค่ไหนละคะทิศตะไบครับ ประมาณ10กว่าเท่าไหร่ล่ะ15ถึงไหม สิปีคครับได้ครับเพราะผมตอนนั้นผมยังทรฐฐาราชการอยู่ผมก็ไปยาผมบาดมันอะไรมัอนะมันก็ไม่หายเน่มนนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะถุกมันเดินเหมันยกขายกไรได้มันสบายเลยน ะ, ะคุณบุลอดรับประทานอาหารเสริมแก้เส้นมากี่แคปซูลคะถึงอาการดีขึ้นนะเนี่ยผมก็เพิ่งจะกินหมดชุดแรกเนี่ย อ่าปัจจุบันนี้ อ, อาการเสียวยังมีอยู่ไหมคะก็ยังมีนิดๆหน่อยๆเวลาลุกเวลาจะเดินอะไรเนี่ยแหละมันมีอยู่หน่อยๆเมื่อก่อนนี่ลุกต้องให้กระดูกมันลั่นกุบ ก, ก่อนน่ะอ๋อถ้าไม่ลั่นแล้วมันเป็นยังไงมันจะเดินไม่ได้อ๋อถ้ากระดูกไม่ลั่น ก, ก, กุ๊บก็จะเดินไม่ได้เห็นว่าชาขาด้วยใช่ไหมครับมันเวลามันปวดยืนนานแล้วมันจะชาลงถึงปลายเท้าเลย อ๋อค่ะค่ะก็เพิ่งเพิ่งซื้อได้ชุดเดียวเนี่ยนะคะอาเพิ่งชุดเดียวเนีวยยงจะสั่งต่อเนี่ยเพราะว่ามันอาการมันดีกว่าเก่าอ่ะดีกว่าเก่ามากเลยใช่ไหมคะรับดีกว่าเก่าเยอะเลยจากที่เป็นมาสิบห้าปีถูกไหมก็ได้ได้เพราะผมว่าโฟกษสเขียนมาตั้งนานแล้วค่ะ ก็ขอกากรมากนผมไม่ทำให้กายภาพผมบัดในตอนยังรับราชการอยู่นะต้งยอมสึกไปะมันก็ไม่ดีขึ้นและค่ะแล้วก็เอเป็นเป็นต่อมาเรื่อยๆพอนานวันเข้าก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นถูกไหมอ่าแล้วก็เนี่ยมากินในเนี่ยกันเนี่ยรู้สึกว่าดีค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณบุญเลอศมากเลยนะคะที่บอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลใบเออมีหลายคนบอกว่าเป็นหน้ามาหรือเปล่าให้คุณบุญเลอศยืนยันว่าไม่ใช่หน้ามาไม่ใช่เลยครับพ่เนี่ยพี่น้องทุกคนดีถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เงินนิดๆ ห, หน่อยเนี่ยเงนก็พอหาได้ ลองคิงครับแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วจะได้ก็ตัวเองอะครัผ ม, มอยู่ก็มาแล้วอายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้6กแล้วครับแต่ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเยอะอก็ขอขอบคุณคุณบุญเลิศมากเลยนะคะที่บอกเล่าเก้าสิบความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูลไบคุณบุญเลิศได้ฟังรายการที่ฉันจากขึ้นวิทยุถูกไหม ครับผมฟังทางวิทยุอ่ะแล้วนี่ก็โทรมาสั่งทางโทรศัพท์ถูกไหมะครับครับดิฉันเห็นว่าดีขึ้นแล้วก็เลยสัมภาษณ์นะคะค่ะหากท่านใดมีปัญหาเป็นเหมือนคุณบุญเลิศหรือว่ามีปัญหาเป็นเส้นนะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเข่ากระดูกทับเส้นชามือชาเท้านิ้วล็อกตะคิวสามารถสั่งซื้อได้นะคะอ่าได้ที่เบอร์ศูนแปดแปด้า สี่ห้าสามห้าหนึ่งห้าหรือ0 8 1 3 9 4ปดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดศปดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดสำหรับในช่วงนี้หากท่านใดจดเบอร์ไม่ทันให้เตรียมกระดาษปากกาแล้วจดในช่วงสัมภาษณ์คนถัดไปก็ได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้ฉันขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับคุณบุลเลอรด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณบุลเลอร์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 0813946977ขณะนี้ดิฉันอยู่ในช่วงมูลไบสัญจรบอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลไบสัมภาษณ์คุณพานิดาการพิมพ์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะคะดิฉันนี่อยู่ที่ อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะส่วนคุณพนิดาการพิมพ์เนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะจะเล่าสักนิดหนึ่งว่าคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณพนิดาการพิมพ์เนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์มูลใบแล้วอาการดีขึ้นเยอะเลยนะคะคุณแม่นี่เปร้านะคะตอนนี้ไม่ปวดข้อแล้วส่วนคุณพ่อนี่ก็ปวดไถยถอยนะคะ แล้วก็มีปัญหาเส้นตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะมากเช่นกันนะคะเดี๋ยวจะให้คุณพานิดาการพิมพ์เนี่ยบอกเล่าเก้าสิความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลใบแทนคุณพ่อและคุณแม่ฮะเนื่องจากว่าคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะดิฉันก็เลยสัมภาษณ์คุณพานิดาการพิมพ์เนี่ยให้พูดแทนคุณพ่อและคุณแม่ของคุณพานิดาเดี๋ยวให้คุณพานิดาแนะนําชื่อนำสกุลบ้านเลขที่เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพานิดาค่ะ ชื่อนางสาวพนิดาคาันทิงค่ะบาริสตสามสิบทับหนึ่งหมู่หนึ่งตำบลหนองกอดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเอาคุณแม่ก่อนละกันคุณแม่เนี่ยเป็นเก้ามานานแค่ไหนคะมาปีครึ่งค่ะมีครึ่งแล้วก็เห็นบอกว่าข้อบวมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วรับประทานของหมอแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะก็ ตอนแรกมันก็ไม่ค่อยเบาค่ะไปตรวจหลายครั้งแล้วค่ะพอดีมอหนัดเรื่อยๆไปเจาะเลือดไปตรวจหลายครั้งมันก็ไม่เบาค่ะพอดีได้ท่านของมูลไบก็ดีขึ้นค่ะแล้วเห็นบอกใช้น้ํามันแก้ปวดเมื่อยของมูลไบท่าที่ตรงข้อบวมแล้วมันยุบเลยเหรอคะยุบเลยค่ะหายไปเลยค่ะแล้วปัจจุบันนี้ยังมีอาการเกาอยู่ไหมก็ไม่มีค่ะตรวจไปตรวจหมาก็ไม่พบค่ะกดยูริกก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่มีค่ะค่ะแล้วส่วนคุณพ่อเนี่ยเป็นอะไรลองเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังดูนะคะก็ปวดไทยทอยปวดขาค่ะ แล้วก็ขาบวมน่อยๆก็เลยทายเข้าไปแล้วก็ฉีดยาก็หายมาเลยค่ะหมายถึงฉีดสเปรย์น้ามันแกปวดเมื่อยนะนะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเข้าใจว่ามียาฉีดไม่ใช่นะคะเป็นสเปรย์ค่ะอ่ะเดี๋ยวอ่าลืมบอกว่าให้คุณพนิดาพนนิดาเนี่ยบอกชื่อนามสกุลของคุณพ่อและคุณแม่หน่อยค่ะค่ะ พอชื่อนายแช่มบัวครีค่ะแล้วก็คุณแม่ชื่อนางสวัสดิ์บัวรีค่ะอ๋อค่ะก็อยู่ที่อะไรนะน้องกดถูกค่ะอ่าแล้วแล้วก็คุณพ่อนี่อ่าใช้ผลิตภัณฑ์มูลใบอาหารเสริมเส้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ล้างหินปูแล้วก็น้ํามันแก้ปวดเมื่อยถูกต้องไหมคะค่ะสามอย่างแล้วอ่าดีขึ้นดีขึ้นภายในกี่วันคะก็หมดกระปุกแรกก็ดีขึ้นค่ะอคค๋อหรือคะแล้วปัจจุบันนี้อาการยังหลงเหลือมีอยู่ไหมไม่มีค่ะ อ๋อทั้งคู่เลยเหรอคะทั้งคุณพ่อและคุณแม่ อ, อาการาไม่มีมมแล้วใช่ไหมไม่มีค่ะอือก็ขอขอบคุณคุณพันนิดาการพิมพ์มากเลยนะคะที่บอกเล่า90ความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูนไบคุณพันิดาพออ่าพอจะบอกเบอร์โทรท่านผู้ฟังได้ไหมคะเผื่อท่านผู้ฟังโทรมาถามนะคะง่ายค่ะอ่าเบอร์อะไรคะแปดเจดค่ะเก้าสี่สามแปดหกสองแปดค่ะค่ ะ, คะมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังสักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูไมนไบคะ่ะอ ดีมากเลยค่ะทานไปทานด้วยฉีดด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรหายหมดเลยค่ะอ๋อฉีดด้วยเดี๋ยวขอขยายนิดนึงฉีดเป็นสเปรย์นะคะท่านผู้ฟัง<ะ>ม่เดี๋ยวจะบอกนึกว่าเป็นยาฉีดเป็นเข็มไม่ใช่นะอ่ะก็คือใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบแล้วก็เอาสเปรย์แก้ปวดน้ำมันแก้ปวดเมื่อมูลไบฉีดใส่ผิวหนังก็เบาใช่ไหมเดี๋ยวขยายความหายเลยค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณพันนิดาการพิมพ์มากเลยค่ะที่บอกเล่า90ความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูลใบหากท่านผู้ฟังมีปัญหาเส้นดังกล่าวเนี่ยลองมาสั่งซื้อนะคะราคาไม่แพงอย่างที่ท่านอาจจะเข้าใจบางคนว่าแพงนะไม่แพงค่ะหากท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0885453515หรือ0813946977อะก็เดี๋ยวก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีกับคุณพันนิดาการพิมพ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ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 1,700 บาทเฉลี่ยวันละย0กว่าบาทเท่านั้นทุกชุดจัดส่งฟรีเก็บเงินถึงหน้าบ้านคุณหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์081 394 6 9หนึ่ง้สาย้ำศู 1>, 1, 3, 9, 4, 6, ส7มเกาข่าวดีค่ะเพียงท่านสั่งชุดน้ำมันมูลไร์ชุดใหญ่รับของแถมฟรียำ้ำสั่งชุดน้ำมันมูลไร์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม Thank you. ว่าเธอนั้นคือดอกฟ้าสุ ข, ขามใจภาพมอรบรักทุกวันเฝ้ามองติดตามสนองหมายปองร อ, อน้องเมตตาอดทนทำงานเพื่อฝันเป็นจริงขึ้นมาอยากเด็นดอกฟ้าลงมา แอบใจเช้าดินเงอรินกี่หยดตามบนสวรรค์บันไดกี่ขั้นสูงชันพี่ก็จะปีนฟ้าสูงกี่ชั้นฝาฟันด้วยใจท่องย็นถึงต่ำทีด่ดิน จะปีนขึ้นไปไ่วยคว้วามองแค่รองเทา้าก็รู้ว่าเราห่างไกลแต่นานแค่ัหนขอใจรับมันสัทธาหนุ่มคนแปรปรอนคนนี้ไม่มีออนลาจะยืนมือคว้า ขอเพียงดอกฟ้าปราณี ก็รู้ว่าเราห่างไกลแต่นานแค่นั้นขอใจรับมันศรัทธานุ่มคนแรมร้อนคนนี้ไม่มีต อ, อนลาจะยื่นมือคว้าขอเพียงดอกผ้าปาีจะยื่นมือคว้าขอเพียง ดอกไม จ้าสวัสดีจ้าค่ะให้คุณป้าแนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่เลยค่ะชื่อจันทาเมื่อใช้สง286ทับหนึ่งหมู่เก้าตำบลหนองกอดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก่อนจะใช้มุนไบรคุณป้าเป็นอะไรมาคะอ่าเป็นกว้วยไก่อักเสบปวดหลังเนาะ แล้วก็ปวดเอ้ยซึ่งเนี่ยนอนหงายก็ไม่ได้นอนได้แต่แตะแคงอย่างเดียวแล้วตัวนี้กินมูนไบมานี่นอนหงายได้แล้วํำงานได้ค่ะมันหายเมื่อยหายปวดดิแล้วก็ไม่ปวดหลังไม่อะไรนะยไม่ปวดหลังไม่ปวดขา คุณป้าเนี่ยปวดหลังปวดขาเป็นมากี่ปีคะโอ้แตงกตีห้าสองนุ่นน่ะก็เป็นมาหกปีนะคะจ้าแล้วคุณป้าทำอาชีพอะไรคะเอ่อทำไร่ทำนาะทำสวนนี่แหละป้าหยุดมาห้าปีแล้วป้าทำไม่ไหว ค่ะแล้วลตอนนี้ป้าก็อยู่คนเดียวด้วยทำอะไรไม่ไหวแล้วทีนีพอกินมูลใบไปเนี่ยสามกะปลกเนี่ยป้าหายปวดหลังปวดขาป้าก็ทำสวนอยู่เนี่ยที่บ้านเนี่ยข้างบ้านเนี่ยคือเรียกว่าทำงานได้มากขึ้นนะคะสบายตัวมากกินมูลใบทำงานได้ แล้วคุณป้ามองว่ากับชุดโปรโมชั่นนะคะพันกว่าบาทแต่คุณป้าอาการดีขึ้นอะไรนะค่ะคุณป้าหมอว่าราคามันเป็นยังไงคะคุ้มค่าไหมกับที่ป้าดีขึ้นค่ะโอคุ้มเลยหนูป้าเป็นมาตั้งก็ปีห้าสองป้ามากินสามขวดสามกระปุกเนี่ยป้าคุ้มเลยป้าเดินได้ป้าเดินคล่องทํางานคล่องป้าอยู่คนเดียวอ่ะ ค, คุ้มหนูไม่แพงหรอกค่ะจะคุณป้ามีอะไรจะฝากไหมคะสำหรับคนที่ปวดหลงังนอนหงายทำอะไรไม่ได้ถ้ า, ถาใครเป็นก็อยากจะให้ลองกินดูคนข้างๆบ้านเนี่ยก็อยากจะให้เขาลองกินดูแต่แตอนนี้เขาติว่าแพงก็ไม่มีตังป้ากระบอกลองกินดูเถอะปรางนั้น ไม่แพงหรอกมันคุม้มมันกินได้ตั้งนานแล้วก็มันก็หายด้วยค่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณป้ามากนะคะขอบคุณค่ะทนปวดอยู่ทำไม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 จ้าสวัสดีจ้าค่ะเดี๋ยวให้คุณป้าเอา่อบอกที่อยู่อ่ะคะ่ะว่าคุณป้าอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะอีทุกทับสองหมู่สิบค่ะหมู่หนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหมู่สิบตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัด น, นครสวรรค์ น, นะคะคุณป้าบางอน้นนี่เราห่างกันมากี่ปีแล้วนะคะเนี่ยป้าก็จะชนปีแล้วเนาะแล้วอ่าป้ากลับไปเป็นอย่างเก่าไหมอาการเดิมมนยินง มันมันยังไม่หายดียงนะแต่ถามว่าเหมือนเก่าไหมไม่เหมือนตั้งแต่กินนะมันไม่เหมือนแล้วหนูค่ะแล้วทีนี้ถามคุณป้านิดนึงเออคุณป้ามีอาการเดิมเป็นอะไรบ้างเพราะว่าบางคนไม่ได้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องอาการเดิมก็ปวดปวดเส้นแล้วก็ชาปวดแล้วก็ชาแล้วก็ตะคิวกินน่ะตะคิวกินตามขาตามนิ้วตามท้องเนี่ยปวดเส้นชาทั้งตัว ตะคิว<ะ>กินขาตำนิ้วตำท้องแล้วเห็นบอกคุณป้าตอนนั้นนี่คือไม่มีแรงแล้วทํางานไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้ทํางานนะอยู่เฉยๆก็ลุกก็ไม่ค่อยไหวคุณป้าอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอีนี้หกสิบอ๋อหกสิบแล้วแล้วลุกไม่ไหวลุกไม่ไหวแล้วนี่ก็คือหุงหาอาหารอะไรได้ไหมตอนนั้นอะ่ะโอ้โหไม่ทําเลยนะตอนที่ยังมาได้กินยา ป้าแย่มากๆเลยเป็นใหม่ๆไปฉีดยาที่ไหนหดีก็ไปไปนวดไปฉีดมันก็ไม่หายอนะเนาะเลยมาฟังวิทยุดีแม่มุนไว้์ลองดูชุดหนึ่งอเออมามันก็ยังเบาเนาะเบาก็เลยกินชุดที่สองก็คิดว่าได้ผลพราอชุดที่สามเออค่อยยังชั่วเลยป้าก็กินไปห้าชุดเต่วทั้งหมดอะตอนหลังก็ที่กินจบห้าชุดนี่คืออาการเทียบกับก่อนจะกินน่ะ กับหลังจากชุดที่ห้าไปแล้วอะมันดีขึ้นอ่ะมันดีขึ้นดีขึ้นเออแล้วป้าก็ไปได้ตลอดตอนเนี้ยไปเกี่ยวเฟสไม่ช่วยกันเผ้าถ่านได้แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยอยู่กับเตียงคือนอนอย่างเดียวไม่ทําอะไรไม่ถามาไปโรงพยาบาลนะทํากับข้าวอะไรไม่ได้ไปโรงพยาบาลอืมไม่เอาเลยแล้วตอนนั้นไม่ทําเลยแล้ววัดอือะไรก็ไม่เอาค่ะ อ๋อแสดงว่าท่านผู้ฟังคะที่เราฟังอยู่เนี่ยอดีตนะคะคือไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงทํางานไม่ได้กับคงกับข้าวไม่ทําคือ น, นอนอห่างเดียวนะคะคือ <c oughs> เห็นป้าบอกว่านอนอยู่กับนอนอยู่อย่างนั้นมากี่กี่เดือนหรือกี่ปีอะป้าโอ้โหหลายนี่รูไหเป็นปีแล้วมั่งป้าไม่ทําอะไรอะเนาะอืออแล้วเห็นป้าบอกว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อประทีปแสงเพชร ที่แกกล่าเออยี่แวววะน่ะเดี๋ยวนี้เขาเดินได้แล้วนี่อ๋อเห็นป้าไปแนะนําเขาตอนแรกยี่แววเป็นอะไรจ้ะเขาว่าเขาไปเหยียบเหยียบแล้วเขาเหยียบเป็นผิดไังไงหมอเหยียบผิดยงไงกันรู้รอ<ล>ที่แรกเขาขายถักขายยาดีๆเนี่ยนะอืมจะเลย<อ>ไปเจอเจอกันอีกทีเขาเดินนีเป๊อีป้าเป็นป้าเลยอ่ะรองไปทำบุญอนะ เดินเสะซ้ายเสขวาถอยหน้าถอยหลังอ่ะเสะป้าก็บอกให้เขากินไอ้นี่มุนไว้เขากินไปสองชุดแต่เขาเอาตัวชุดเล็กอเขาก็บอกว่าเขาเขาบอกแต่เดี๋ยวนี้ก็หายแล้วนะเขามาขายแตงมาสองวันเนี่ยรออือแต่ว่าคือป้าเขาเดินได้เลยใช่ไหมคะตอนนี้เขาเดินได้เลยเขาเก่งมากเลยล่ะรอแสดงว่าหายแตงเมื่อเนี่ยเมื่าพิจิเรวเนี่ยแสดงว่าแต่ก่อนอ่ะป้าปฏิทินเห็นแกบอกว่า แกนอนอยู่กับเตียงแล้วก็ถัดแล้วก็เออเวลาจะปวชอุจจาระปัสสาวะก็ทํากันบนบ้านเลยลงบ้านไมได้ไดใช่เขาเนี่ยเขาไปดูไปเหยียบผิดเกณน์ยังไงก็ไม่ลูกอ๋อเดี๋ยวนี้ ป, ป้าปฏิบัติแกก็ขายแตงได้ขายผัก อ, อะไรเหมือนชีวิตบระจปกติคือเดินเห็นบอกว่าเห็นก็มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอ๋อเห็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเดินแบบเซซ้า ย, ซายเซขวาเป็นป้าอยู่ไหม ไม่เิ็นนะเขาแข็งแรงกับป้าจังเราเดี๋ยวนี้เดินเหมือนคนปกติเลยเหมือนคนปกติเลยโอ้ดีแท้เนาะเนี่ยบ้านเขาอยู่ไม่ไกลจากป้าเท่าไรแล้วไปเที่ยวหาเขาก็ได้นาะดูเขาเดินเนี่ก็เดินดิคุณป้านี่คิดว่ามูลไบเป็นยังไงราคาเนี่ยมันพอไหวไหมกับที่แบบเรานอนมาเป็นปีแล้วเดี๋ยวนี้ดีขึ้น ป้าสำหรับป้ามันไม่แพงแล้วเขาเห็นบางคนบอกว่าโอ๊ยซื้อไปไม่ต้องเสียดายสตางกันเลยล็อกของมูนไบต์อ่ะอืมไอไอป้าก็พูดตรงไปตรงมาเนาะป้ากินถูกอะป้าว่าไม่แพงป้าแล้วบางคนน่ะเขาไม่มั่นใจเขาบอกว่าโอ๊ยฟังฟังกันอยู่นี่เพราะมันมันบอกว่าดีดีหายนี่มันหน้าม้ากันปะเนี่ยป้าอยู่เนี่ยไม่เป็นหน้าม้าใครกันได้อ่ะพูด พูดจะไม่อยากจะเป็นอย่างเี้ยนะจะไปเป็นมาหาขายแล้วลูกเอ้ยอ๋อเขาบอกว่าเนี่ยเนาะมาหาป้าบางออนได้เนาะเนี่ยไอหลังทีนทีเนี่ยจ้าอยู่หมู่สิบตาบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะบ้านที่หกรับสองเนี่ยอ๋อจ้าอ่าเดี๋ยวเข้ามาป้บรู้ว่าหลังก็สีเนี่ยเจอเลยโอ้ป้าป้าท้าให้มาหาถึงบ้านได้ เมาดูอ๋อจ้าท่าทางาการบุลไบรทต้องขอขอบคุณคุณป้าบางออนแสงจ้อยเป็นอย่างมากนะคะจ้า